วิญญาณัญจายตนะสูตรว่าด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีท่านพระอานน์ได้เห็นละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมล่วงอากาสารัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าวิญญาณัญจายตนะฌานฌานอันกําหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ละถึงหรือออกจากวิญญาณัญจายตนะฌานแล้ววิญญาณัญจายตนะสูตรที่6จบ 7. อากินจัญญายตนะสูตร ว่าด้วยอากินจัญญายตนะฌานเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรละถึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมล่วงวิญญาณัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญายตนะฌานฌานอันกําหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์โดยกําหนดว่าไม่มีอะไร ละถึงหรือออกจากอากินจัญญายตนะฌานแล้วอากินจัญญายตนะสูตรที่7จ็จบ 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะสูตรว่าด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรละถึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมล่วงวิญญาณจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงเข้าเนวสัญญานาสัญญาจตนะชาญชาญอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ละถึงหรือออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญแล้ว เนวสัญญานาสัญญายตนะสูตรที่8จบ 9. นิโรธสมาปฏิสูตรว่าด้วยนิโรธสมาบัติสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเศรษฐี เคกรงสาวถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวถีกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันถวันเพื่อพักกลงวันถึงป่าอันถวันแล้วนั่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งต่อมาเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเรนแล้วเข้าไปยังพระเชตวัน อารามของอนาถปิณิขะเศรษฐีท่านพระอานนท์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรกำลังเดินมาแต่ไกลจึงถามว่าท่านสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ ผมล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอยู่ผมนั้นไม่ได้คิดว่าเราเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่หรือเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วหรือว่าออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วอันที่จริงท่านพระสารีบุตรทอนอาหง า, ม า, มางการมังการและ มานานุสัยออกได้นานแล้วฉะนั้นท่านจึงไม่คิดว่าเราเข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธอยู่หรือเข้าสัญญาวเวทยิทนิโรธแล้วหรือออกจากสัญญาวเวทยิทนิโรธแล้วนิโรธาสมาปฏิสูตรที่9จบ สุจิมุขีสูตรว่าด้วยสุจิมุขีปริภาชิกาสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวรุวันสถานที่เหยื่อกระแตเขโครุงราชเครื้ครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาดและจีวรเข้าไปบิณทบาทยังกรุงราชครื้อาศัยเชิงฟ้าแห่งหนึ่งชั้นบินทบาทนั้นครั้งนั้น ปริพาชิกาชื่อสุจิมุขีเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าสมณะทำไมท่านจึงก้มหน้าฉันเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าน้องหญิงเราไม่ได้ก้มหน้าฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือน้องหญิงเราไม่ได้เงยหน้าฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศใหญ่ฉันหรือ น้องหญิงเราไม่ได้มองดูทิศใหญ่ฉันสมณะถ้าอย่างนั้นท่านมองดูทิศน <places Pompe Ng> ้อยฉันหรือน้องหญิง <illi> เ, เราไม่ได้มองดูทิศน้อยฉันดิฉันถามว่าสมณะทำไมท่านจึงก้มหน้าฉันเล่าท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันดิฉันถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเงยหน้า <as> ฉ <lands> <p ain S 2> <p ain S 1> ันหรือท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้เงยหน้าฉัน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 เพราะเดรชานวิชาคือวิชาดูพื้นที่สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชานวิชาคือวิชาดูดาวดูเรือสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่าเงยหน้าฉันสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะทําหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร สมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกเร่ ว, ว่ามองดูทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชนวิชาคือวิชาดูอวัยวะสมณพราหมณ์เหล่านี้เรียกได้ว่ามองดูทิศน้อยฉันน้องหญิงเรานั้นไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชนวิชาคือวิชาดูพื้นที่ ไม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชานวิชาคือว do, do, ิชาดูดาวดูฤกษ์ไมิได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารม่ได้เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเพราะเดรชานวิชาคือวิชาดูอวัยวะแต่เราสแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรมแล้วจึงฉันลำดับนั้น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 รวมพระสูตรที่มีในสังยุทธ์นี้คือ 1. วิเวกระชาสูตร 2. อวิตักระสูตร 3. ปีติสูตร 4. อุเปกขาสูตร 5. ้าอากาสาญจายตนะสูตร 6. วิญญาณจายตนะสูตร 7. อากินจันยายตนะสูตร 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะสูตร 9. นิโรธสมาปัติสูตร 10. สุจิมุขีสูตร แนาคสังยุตหนึ่งสุทิกะสูตรว่าด้วยกำเนิดนาคล้วนเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้กำเนิดของนาคสี่ประเภทอะไรบ้างคือหนึ่งนาคที่เป็นอันทะเกิดในไข่ 2. นาคที่เป็นชลาผู้ชะ เกิดในคัน 3. นาคที่เป็นสังเสรชะเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะ 4. นาคที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่ประเภทนี้สุทิกะสูตรที่หนึ่งจบ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 สี่นาคที่เป็นโอปปาติกะในนาคสี่ประเภทนั้นนาคที่เป็นชลาภุชะสังเสรชะและโอปปาติกะประณีดกว่า น, นาคที่เป็นอ yeah. anyway. claro. ันชะนาคที่เป็นสังเสรชะและโอปปาติกะประณีดกว่านาคที่เป็นอันชะและชลาภุชะนาคที่เป็นโอปปาติกะประนีดกว่านาคที่เป็นอันชะ ชลาผูชะและสังเสทชะภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสีประเภทนี้ปณีตระสูตรที่สองจบ 3. อุปโปสถสูตรว่าด้วยอุโบสถ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 ให้นาคที่เป็นอันตชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนาคที่เป็นอันตชะบางพวกในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้มีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจพวกเรานั้นมีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจ หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะถ้าวันนี้พวกเราพึงพระพุทธสุจริตด้วยกายวาจาและใจเมื่อทำได้อย่างนี้พวกเราหลังจากตายแล้วก็จะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเราพระพุทธสุจริตด้วยกายวาจาและใจในบัดนี้เถิดภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 พึงขยายข้อความที่เหลือทั้งหมดให้พิดารพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุนี้แหลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้นาคที่เป็นสังเสรชฐะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ตติยะอุปสถะสูตรที่หจบ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 จจตุธะอุโปสถสูตรที่หจบเจสุตะสูตรว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมาเรื่องเกิดขึ้นด้กรครูสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งหน้าที่สมควร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 พวกนาคที่เป็นอันตชะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าชไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันตชะหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันตชะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะสุตตะสูตรที่7จบ 8. ทุติยสุตตะสูตรว่าด้วยเรื่องที่ได้ฟังมาสูตรที่สอง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 ขอเราพึงเข้าถ um ึงความเป็นผู้อย <N> ู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะภิกสุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงการอยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะจตุสุตตะสูที่1ิจบ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 ให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีพหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะภิษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นอันทชะอันทชะทานูปการะสุตตะทัศกะที่1 1บเถึงี่สิบ 21ถึง50ชลาผู้ชาทิทานุปการะสุตติงสกะว่าด้วยพระสูตร30สูตรมีชลาผู้ชะทานุปการะสูตรเป็นต้น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 นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกนาคที่เป็นโอป ป, ปาติกะพึงเพิ่มสูตรคราวละสิบสูตรที่ละไว้นี้เข้ามาให้เต็มการตอบปัญหาทั้ง40ในกาเนิดสี่ก็พึงเพิ่มเข้ามาให้เต็มอย่างนี้เมื่อรวมพระสูตรทั้ง10บกับสูตรก่อนๆเข้าด้วยกันจึงมีหสูตร ชลาผู้ชาที่ทานุปการะสุตเติงสกะที่21ถึง50จบนาคสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. สุทิกะสูตร สปณีตะสูตร 3. อุโปสถสูตร 4. ทุติยอุโปสถสูตร 5. ตติยอุโปสถสูตร 6. กเจตุทะอุโปสถสูตร 7. สุตตะสูตร 8. ทุติยสุตตะสูตร 9. ตติยสุตตะสูตร10บเจตุทะสุตตะสูตร สิบเอ็ดถึงยี่สิบอันตชะทานุปการะสุตตะทัศกะยี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบชลาผู้ชาทิทานุปการะสุตตะติงสกะ 9. ก้าสุปันนะสังยุตหนึ่ง สุธิกะสูตรว่าด้วยกำเนิดครุตนล้ว น, นเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุตสี่ประเภทนี้กำเนิดของครุตสี่ประเภทอะไรบ้างคือหนึ่งครุตที่เป็นอันทชะเกิดในไข่2ครุตที่เป็นชลาผูชะเกิดในคันสา ครุฑที่เป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะสี่ครุฑที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้สุธิกะสูตรที่หนึ่งจบ สองภรันติสูตรว่าด้วยครุดฉุดนาบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกําเนิดของครุดสี่ประเภทนี้กําเนิดของครุดสี่ประเภทอะไรบ้างคือ 1. ครุดที่เป็นอันทชะ 2. ครุดที่เป็นชลาภุชะ 3. ครุดที่เป็นสังเสทชะ สครุฑที่เป็นโอปปาติกะภิกษุทั้งหลายกําเนิดของครุฑสี่ประเภทนี้ในครุฑสี่จำพวกนั้นครุฑที่เป็นอันตระนํานาคที่เป็นอันตระไปได้แต่นํานาคที่เป็นชลาพุชะสังเสตชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นชลาพุชะนํานาคที่เป็นอันตชะและชลาพุชะไปได้ แต่นำนาคที่เป็นสังเสรชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นสังเสรชะนำนาคที่เป็นอันตชะชลาภุชะและสังเสรชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นโอปปาติกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นโอปปาติกะนำนาคที่เป็นอันตชะชลาภุชะสังเสรชะและโอปปาติกะไปได้ภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของครุตสี่ประเภทนี้หารันติสูตรที่สองจบ 3. ทวยะการีสูตรว่าด้วยผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสอง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 หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับผู้ครุฑที่เป็นอันตรชะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับผู้ครุฑที่เป็นอันตระชะทวายการีสูตรที่สามจบ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 เขาได้ฟังมาว่าผู้ครุฑที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาว่าชไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับผู้ครุฑที่เป็นโอปปาติกะหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับผู้ครุฑที่เป็นโอปปาติกะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 ด้วยการรวบรวมอย่างนี้จึงมีพระสูตร46สูตรสุปันนะสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต์นี้คือ 1. สุทิกกสูตร 2. หารันติสูตร 3. ทวายการีสูตร 4-6. ถึงทุติยาทิทวายการีสุตตติกะ 7-16. อันทชะทานุปการะสุตตะทัสกะ 17-46. ชลาผู้ชะทานุปการะสูตร